เมื่อเดือนที่แล้วตมานะไปประชุมนะที่ประเทศนอร์รเวย์ก็มีเวลาอยู่ที่เมืองหลวงเขาประมาณสามสี่วันนะกรุงออสโลไปถึงก็มีเลขานุ ก, การสถานทูตไทยนี่ก็มาต้อนรับแล้วก็พาชมเมืองนะก็เรียกว่าเป็นความกรุณานะเพราะว่า ไม่ได้ไปในฐานะตัวแทนราชาการอะไรนะที่ไปประชุมที่นอร์เวย์เนี่ยค่มีช่วงหนึ่งก็พาไปดูรถนะที่จอดกันเป็นแถวเราก็สงสัยว่ามาดูอะไรตรงนี้ทำไมรนถะจอดเป็นแถวเนี่ยนะมันก็ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าที่แปลกคือรถแต่ละคันเนี่ยมันจะมีสายเชื่อม ไปเสียบอยู่กับเสาที่อยู่ริมถนนนะเสาเล็กๆเนี่ยแล้วเขาก็อธิบายว่าเนี่ยรถเนี่ยกำลังชาร์จไฟมันเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่เยอะเลยนะกำลังชาร์จแล้วเขาก็เล่าว่าตอนนี้นอร์เวย์เนี่ยคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น เวลานึกถึงเวลาพูดถึงรถไฟฟ้านี่อย่าไปนึกแบบรถกอลนะ์ฟที่นี่นะรถกอล์ฟที่นี่มันใช้ไฟฟ้าจริงแต่ว่ามันช้าแต่รถของฝรั่งที่ใช้ตอนนี้เนี่ยรถเหมือนรถ ท, ทั่วไปเลยราคาแพงแต่ว่าราคาก็กำลังถูกลงเรื่อยๆคนนอร์เวย์ตอนนี้ก็ตื่นตัวเรื่องสึ่งว่าล้อมมาก ไม่ใช่เฉพาะคนนอร์เวย์นะคนแถวยุโรปเนี่ยจะเป็นเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ตื่นตัวเรื่องการลดการใช้น้ํามันอะไรที่ใช้น้ํามันน้อยลงนะแม้จะเหนื่อยมากขึ้นเขาก็ยอม น, นะเช่นขี่จั ก, กรยานเนะ น, นี่ยในฮอลแลนด์นี่เมืองอัมสเตอร์ดัมหรือว่าหลายเมืองนะเดนมาร์กนี่เมืองหลวงแท้แท้นี่จะเห็นคนขี่จั ก, กรยาน ไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวนะคนที่เป็นผู้จัดการเป็นเลขานุ ก, การนะเป็นซ e o ธนาคารก็ี่จักรยานเพราะว่าประโยชน์หลายอย่างหนึ่งนะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสองถึงที่หมายไหวนะเพราะรถไม่ติดไม่ต้องมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะไม่ต้องพูดถึงความประหยัดแล้วก็เรื่องการ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มันบริสุทธิ์นะแล้วก็การใช้รถไฟฟ้านี่ก็เป็นนะเป็นค่านิยมนะที่กำลังแพร่หลายนะในยุโรปหดือพ่อทางยุโรปตอนเหนือตอนนี้เนี่ยในทนแลนด์เนี่ยนะเขาประกาศแล้วว่าปี2025นะคืออีก7ปีข้างหน้าเนี่ยอีก8ปปีข้างหน้าเนี่ยก็จะพยายามไม่ให้ใช้ รถกินน้ํามันไอ้รถที่กินน้ํามันนี่เขาจะพยายามทําให้มันหายไปจากท้องถนนสิ่งหนึ่งที่ทําคือว่าจะไม่มีการขายแล้วรถที่เติมน้ํามันนี่จะไม่มีขายแล้วนะในประเทศในเทนแลแอนดเนี่ยในแปดปีข้างหน้าโอนี้เขาคิดการใหญ่มากเลยนะเขากล้าคิดนะแล้วก็กล้าทําด้วย เป็นไปได้ยังไงนะรถไม่มีน้ํามันไอ้รถที่ไม่กินน้ํามันเนี่ยนะจะใช้กันครบร้อยเปอร์เซนตส่วนรถที่กินน้ํามันจะไม่เหลือเลยนะเรานึกภาไม่ออกนะเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าคนยุโรปนี่เขาเขากล้าคิดแล้วเขก็พยายามทำเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็กําลังได้รับความนิยมมากนะในประเทศเหล่านี้ตอนนี้ในท่านแลนเนี่ยเขาก็ ทำเริ่มทําถนนแล้วนะเป็นถนนเป็นเลนที่ประกอบไปด้วยโซลาเซลล์หมายถึงเลนเลนถนนที่เป็นพลังงานแสงอาทิตินะถนนที่ขับรถขับลากันเนี่ยต่อไปมันจะผลิตไฟฟ้าได้มันเจอแดดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะส่งพลังงานไฟฟ้ามาให้กับรถที่กําลังขับอยู่บนถนนนะตอนนี้เริ่มทําแล้วนะ อันนี้ก็เป็นความกล้าคิดของเขานะโลกนี้มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะเราจะนึงไม่ถึงนา้นสิบปีข้างหน้านะไปยุโรปเนี่ยอาจจะเงินที่เงินสดเนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้วเงินสดใช้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเขาจะพยายามไม่ให้คนใช้เงินสด่สวีเดนเขาก็เลยประกาศแล้ววนะ่าจะไม่มีการใช้เงินสดในะไม่กี่ปีข้างหน้า นะทุกอย่างนี่ก็ต้องใช้บัตรเครดิตนะหรือว่าการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาไปออสโลนีนะี่จะขึ้นรถนะจะเป็นรถไฟฟ้าจะเป็นรถเมล์รถรถไฟนี่ขึ้นยากนะเพราะว่าเขาต้องใช้การ์ดนะนะต้องใช้การ์ดเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไม่มีพนักงานขายขายตั๋วแล้วนะไปซื้อกาดเอาริมถนนนะ นะถ้าหาว่ามีเงินนะมีเงินแต่ว่าไม่มีการก็ขึ้นไม่ได้นะลำบากมากนะขึ้นรถไปไม่มีการมีแต่มีแต่เงินนะนะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมันเร็วมากนะแล้วก็ที่เขาเป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องของการลดการใช้น้ำมันเพื่อจะไม่ให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะ เมืองไทยเราไม่ค่อยตื่นตัวเรื่องนี้นะแต่เมืองนอกหลายประเทศก็ตื่นตัวมากนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดจากการเผานะเผาเผากระดาษเผาน้ำมันเผาฟืนนะไอ้พวกนี้มันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันเป็นก๊าซที่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นนะนอร์เวย์แล้วก็ประเทศหลายประเทศนี้เขากำลังตื่นตัวเรื่องนี้เพื่อลด การใช้น้ำมันเพื่อจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์นี่มันหายไปแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการปลูกป่าด้วยที่อาตอมาไปประชุมเนี่ยนะก็ไปประชุมเรื่องการรักษาป่าฝนนะไอ้ป่าฝนนี่มันไม่ได้มีอยู่ในอยู่ในนอร์เวย์เลยนะนอร์เวย์ประเทศเล็กๆคน5ล้านคนป่าฝนไม่มนะีแม้แต่ตารางวาเดียวแต่ว่า มันมีอยู่ในแอฟริกาใต้แอฟริกากลางแล้วที่สำคัญคืออเมริกาอเมริกาใต้ที่เรียกาลาตินอเมริกาหรือว่าป่าเอเมซอนอ่นอร์เวก็เป็นประเทศเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะเขาก็เห็นว่าเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ก็มีกระทรวงนะกระทรวงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะ ภูมิอากาศนี่ไม่ใช่หมายถึงมลพิษมลภาวะอย่างที่เขาายย้าใจเดียวนะมันหมายถึงการที่โลกกำลังร้อนมากขึ้นนะเขาก็เลยมีกระทรวงนี้เพื่อรับผิดชอบกับโลกว่าทำไงจะให้โลกเนี่ยมันร้อนน้อยลงนะภูมิอากาศมันมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงเขาก็เลยจัดประชุมเพื่อส่งเสริมให้มีการรักษาป่าฝนป่าเขตร้อนให้มากขึ้นไม่ว่าที่บราซิลอิคโคดอเปรู โบลิเวนะียไอพวกนี้มีป่าฝนที่ใหญ่มากเรือป่าอเมซอนใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับสองก็คองโ ก, โกนะอยู่ในแอฟริกากลางที่รองลงมาก็อินโดนีเซียนะป่าคอยเยอะเดี๋ยวนี้มันมีผลนะเวลามีการทำลายป่าที่อินโดนีเซียนี่เมืองไทยเราก็เริ่มได้รับผลละเพราะว่าควันควันจากการเผาป่าเนี่ย มันลามมาจนถึงมาเลเซียนะควันเนี่ยนะมันข้ามทะเลมาเลยนะข้ามมหาสมุทรนะมาถึงมาเลเซียถึงหาดใหญ่ถึงภาคใต้ของไทยนะเพราะอารมณ์มันพามาตอนนี้เขาก็ก็เลยตื่นตัวกับเรื่องนี้นะช่วยการรักษาป่าไม่ให้มีการเผาป่าแล้วก็ปลูกป่ากันมากๆนะมันจะได้ช่วยทำให้ มีตัวดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นะเพราะว่าต้นไม้นี่มันต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงนะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนนะอันนี้ก็เป็นนะแนวโน้มที่กำลังตื่นตัวกันมากขึ้นนะเรื่องปลูกป่าคนอาจจะไม่เคยสนใจหรืออาจจะไม่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากแต่ว่าเรื่องการใช้น้ำมันน้อยลงเนี่ย มันจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วโลกเดี๋ยวนี้นก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะอะไรๆที่เราคิดว่ามันจะอยู่ไปได้นานๆเนี่ยวันดีคืนดีมันก็หายไปนะเช่นเงินสดเนี่ยต่อไปก็จะหายแล้วเนี่ยคนจะไม่ใช้เงินสดกันแม้แต่ในประเทศของเราเนในวันข้างหน้าจริงๆที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคอมพิวเตอร์ก็ดี โทรศัพท์มือถือก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีพวกนี้มันมันเปลี่ยนแปลงโลกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนนึกไม่ออกนะว่าถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงนะมันจะอยู่ยากขึ้นนะพอมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตนะมีโทรศัพท์มือถือนี่ การติดต่อนี่มันเปลี่ยนไปเลยนะคนเดินทางกันน้อยลงคนใช้โทรศัพท์ซึ่งค่าโทรศัพท์ก็ถูกมากขึ้นแต่ก่อนโทรจากกรุงเทพมาชัยภูมินี่นาทีละเท่าไหร่ น, ะนาทีละสิบบาทนะเดี๋ยวนี้ฟรีแล้วนะใช้ใช้ไลน์นะใช้สกายนะแค่ไลน์เดียวนี้ก็ฟรีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนไม่ส่งจดหมายกันแล้วแล้วคนก็ไม่ค่อยคุยกันแล้วก้มหน้าแทนนะ กลมหน้าเล่นหลายกลมหน้าส่งข้อความทางเฟซบุ๊กการเดินทางการติดต่อง่ายขึ้นการก่อการร้ายก็ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก่อการร้ายนะมันเกิดขึ้นทั่วทุกหัวเราแหงก็เพราะอินเทอร์เน็ตนี่แหล ะ, ะส่งข่าวกันทางอินเทอร์เน็ตหรือเดี๋ยวนี้ก่อการร้ายก็ไม่ต้องใช้ระเบิดแล้วต่อไปก็แค่ไปแฮกนะ ทำให้ระบบโทรคมนาค ม, ม, าคมทำให้เครื่องบินมันหยุดทำงานนะทำให้โรงไฟฟ้าทำให้โรงประปานี่มันไม่ทำงานนี่ก็เดือดร้อนกันไปทั่วลแล้วนะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะในช่วงเวลาสิบยี่สิบปีเพราะการเกิดอินเทอร์นเน็ตการเกิดโทรศัพท์มือถือและต่อไปนี่นะนะอย่างที่บอกน ะ, ะคนก็จะใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะ ต่อไปปั๊มน้ามันก็อาจจะต้องปิดตัวลงเดีนะ๋ยวนี้ธนาคารหลายแห่งก็ปิดตัวแล้วนะมีคนเข้ามาบ่นกันมาแล้วเลาว่าธนาคารในเมืองไทยเนี่ยหลายแห่งต้องปิดสาขาแล้วนะเพราะว่าคนมาใช้น้อยลงการติดต่อธุรกรรมทางการเงินใช้โทรศัพท์มือถือนะไม่ต้องไปธนาคารแล้วเสียเวลาคนก็ตกงานกันมากขึ้นนะ โรงเรียนก็ตอนนี้ก็ปิดนะปิดกันมากขึ้นแล้วแต่จะไม่เกี่ยวอินเทอร์เนต็ตโดยตรงนะคนเกิดน้อยลงนะคนเกิดน้อยลงโรงเรียนก็มีนักเรียนมาเรียนน้อยลงหมหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาน้อยลงไม่ใช่คนไม่มีปัญญาเรียนนะแต่ว่าคนเกิดน้อยลงหมหาวิทยาลัยก็ลําบากแล้วเพราะว่าอยู่ได้เพราะเพราะจำนวนคนจํานวนนักศึกษานะ นักศึกษาน้อยรายได้ก็น้อยนะจะทํำยังไงคนเกิดน้อยพระก็เกิดพระก็มีน้อยลงนะตอนนี้พระก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะส่วนนึกเพราะคนไม่ศรัท ธ, ธาในการบวชหรือว่าคนนี่ไม่มีศรัท ธ, ธาในศาสนาอีกส่วนหนึกเพราะคนมันเกิดน้อยลงด้วยนะขนาดมหาวิทยายนี่ก็ยังมีปัญหาเลยว่าคนเรียนน้อยลงนะวัดเนี่ยจะไม่กระทบได้อย่างไรนะ อันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันจะมาเร็วนะในช่วงเวลาสิบปีนะนะะบางทีนึกไม่ถึงแล้ว่ามันเปลี่ยนไปยัขนาดนี้เฉียเหรอ